ตอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งความปรารถนาเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าก็เปรียบเหมือนกับการเพรา ะ, มะเมล็ดพันธุ์โพน ะ, ะเพาะเมล็ดพันธุ์เพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าหลังจากนั้นรากก็เริ่มหยางลงรากทั้ง10ประการก็หยางลงรากคือทานรากคือศีลรากคือเนคคัมมะปัญญาวิรยิยขันติสัจจะอธิฐานเมตตาและอุเบกขารากแต่ละอย่างก็ได้หยางลง นี่รากแต่ละอย่างที่ยังลงสู่พื้นดินเนี่ยนะรากเหล่านี้ถามว่ายัางลึกแค่ไหนบอกว่าลึกตลอดเสียสงขายแสนกับแล้วลำต้นแห่งต้นโพนั้นสูงแค่ไหนบอกว่าสูงจนถึงโลกุตระสูงท้โลกนเนี่ยพันร่มเงาของต้นโพนั้นครอบคุมครอบคลุมโลกทั้งสามโลกทั้งกามาโลกรูประโลกและอรูปประโลก ในรากแต่ละอย่างนี่ก็ถือว่าเป็นรากแก้วที่มั่นค ง, งนะโดยที่อาศัยตัวที่หล่อเลี้ยงลำต้นอันนี้คือกรุณากรุณานี่เป็นพื้นฐานเป็นบาดฐานที่ทำให้รากแต่ละรากนั้นมั่นคงถ้าหากว่าไม่มีกรุณารากของต้นโพต้นนี้ก็คงไม่แข็งแรงและไม่มั่นคงแต่เนื่องจากว่ากรุณาเนี่ยเป็นเหมือนกับวัคซีนอันตรายใดๆก็ไม่สามารถ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 เพียรเจริญอกุศลเพียรละกุศลโดยอัธยาศัยของเขาเัรโลกนี้ก็ถือว่าเต็มไปด้วยอันตรายเั้งการทำบารมีทั้งหมดทั้ง10ประการที่พระองค์ได้ทรงกระทามาในอดีตการนั้นถ้าหากว่าเป็นคนที่ขาดความมั่นคงจริงๆคงทำได้ไม่ตลอดสายแต่เนื่องจากว่าเป้าหมายที่ชัดเจนนะตามปฏิญญาทั้ง7ประการเนี่ยปฏิญญาทั้งเจประการนั้นถือว่าเป็นปฏิญญาที่มั่นคงมาก เป็นการปฏิญาณที่เป็นสัจจะบารมีนนะเป็นสัจจะบารมีว่าพุโทโธโพธทยังเราตรัสรู้แล้วจะให้ผู้อื่นตรัสรู้ด้วยในสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะถ้าหากว่าการุณาไม่มั่นคงจริงๆก็ยากที่จะเป็นไปได้ทั้งกรุณาที่ทนไม่ได้ต่อผู้อื่นเขาเป็นทุกข์ทนไม่ได้ที่สัตว์อื่นเป็นทุกข์กรุณาอันนี้แหละที่ช่วยประคับประคองบารมีใน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 อุปสรรคในโลกเนี่นนะมันมากเหมือนอะไรมากเหมือนกับว่าใครที่อยู่กรุงเทพรถติดเนี่ยยมว่าไปยากไหมเขาบอกว่าถ้ารถติดเนี่ยนะจะไปไหนก็ถือว่าไปยากฉันได้อันนี้พูดแบบสมัยคนกรุงเทพเขาบอกว่าไปไหน ไ, ไปยากก็เพราะรถติดนี่แหละแต่ถ้าพูดแบบโบราณเขาไม่เข้าใจหรอกโบราณเขาบอกว่าเหมือนอย่างว่าถ้าจะลุยแวกกอไผ่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 แวกเพื่อที่จะข้ามออกจากจักรวาลพระองค์เนี่ยบำเพ็ญบารมีก็ฉันนั้นเพราะว่าจะต้องแวกอยู่ตลอดเวลาแวกจากความเห็นขัดแย้งของต่อสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายมีใจที่น้อมไปเพื่อตรณีพระองค์นี่ก็แวกเพื่อที่จะให้สัตว์ทั้งหลายถือว่าการให้ทานไม่มีผลพระองค์บอกว่าให้ทานมีผลสัตว์ทั้งหลายบอกศีลไม่จําเป็นมหาภูตโรคศีกจําเป็น พระองค์ก็แหวกความเห็นที่มันตรงกันข้ามออกไปสัตว์ทั้งหลายบอกว่าการเจริญกุศลธรรมเป็นเรื่องที่ไม่จําเป็นพระองค์บอกว่าจําเป็นนัสัตว์ทั้งหลายบอกกุศลเจริญยากพระองค์บอกว่าเจริญได้นี่สัตว์ทั้งหลายบอกอกุศลไม่มีโทษพระองค์บอกมีโทษซึ่งอยู่บนพื้นฐานความเห็นที่ขัดแย้งอยู่ตลอดเวลาเพราะมูสัตว์ทั้งหลายที่รบชัดเหมือนกับกอไผ่นี่นะเหมือนกับกอไผ่ที่เป็น เป็นล้านๆกอเนี่ยนะเป็นความเห็นที่ขัดแย้งกันอยู่ตลอดเวลาพระองค์อยู่ท่ามกลางความขัดแย้งทั้งหมดแล้วเจริญกุศลได้อันถ้าหากว่าคนที่ไม่มีความบากบั่นมั่นคงไม่มีความเข้าใจไม่มีปัญญาอย่างแท้จริงทําไม่ได้เนี่ยนะเพราะว่ามันขัดแย้งอยู่ตลอดเวลาอันพื้นฐานของพระองค์เนี่ยนะบารมีแต่ละอย่างแต่ละอย่างที่ทําน้อยคนนักที่จะอนุโมทนาเนี่ยนะน้อยคนนักที่จะอนุโมทนาหรือ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 เมื่อไม่เลื่อมสายในผลคือการตรัสรู้ของพระองค์ก็เลยไม่เลื่อมสายในสัตรูปการะคือสิ่งที่พระองค์ทําเพื่ออุปการะแก่สัตว์อื่นคือคําสอนก็เลยไม่เลื่อมสายในคําสอนที่ไม่เลื่อมสายในคําสอนก็เพราะว่าไม่รู้จักพระพุทธคุณที่ไม่รู้จักพระพุทธคุณก็เพราะไม่รู้จักปปะจริยาคุณไม่รู้ต้นเหตุที่กว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้านี่นะพระองค์บอกว่า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 ทรงก็เป็นพระราชาที่ประกอบไปด้วยกุศลกรรมบท10ประการหรือเป็นพระราชาที่ประกอบไปด้วยบุญยักิริยาวัตถุ10บประการในการครั้งนั้นพวกพราหมณ์ชาวกาลิงครัตได้มาหาเรามาขอพญาคชสารทรงคือขอขอช้างพระที่นั่ ง, งน่ะแหละว่ากันเนะี่แม่ก็จะนั่งอยู่ตรงไหนเขามาขอเก้าอี้ตรงนั้นน่ะว่ากันเนี่ยนะอันนี้หนักกว่านั้นน่ะนะไม่ใช่แค่ขอเก้าอี้นีขอช้างทรงเลยแหละ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 ในน้ําเต้าทองเนี่ยบนมือได้ให้พยาคตชาสารนั้นแก่พราหม์ใครียว่าจะยกช้างประเค้นแบบแบบเนี่ยของเล็กๆน้อยๆไม่ได้ใช่ไหมก็เลยจับงวงช้างไว้ที่มือพราหมณ์แล้วก็รดน้ําว่าเป็นการให้ขาดอันะน้ะําที่หยดลงไม่ไม่ติดไม่เยื่อใยฉันใดการให้ของเราก็ให้แบบไม่มีเยื่อใยให้แบบเรียกว่าไม่ติดไม่คล้องให้แล้วให้เลยเมื่อเราได้ให้พยาคตชาสารแล้วเนี่ยนะพวกอมาดนะ แผนแคดค้านทั้งหลายก็ค้านฝ่ายค้านก็ค้านทันทีขนาดของของขะของของพระองค์อยู่แล้วนะไอ้แผนที่จะขัดก็ต้องขัดอย่างเดียวก็เลยกล่าวอย่างนี้ว่าเพราะเหตุไรหนอพระองค์จึงพระราชทานพยาคชสารตัวประเสริฐอันประกอบด้วยทัญลักษณ์สมบูรณ์ด้วยมงคลชนะสงครามอันสูงสุดแก่ยาจก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 ยานที่ยังรู้ทุกยานที่ยังรู้สมุทัยนิโรธมักยานที่ยังรู้อัตถธรรมะนิรตติปฏิภาณะปฏิสัมพิทายานที่ยังรู้อศาศารณะยานนันยานที่ยังรู้สัพสพะยยธรรมทั้งหมดเนี่ยเป็นที่รักของเราเพราะฉะนั้นเราจึงให้พยาคจรานนั่นถันถือว่าสัพพัญญตญาณ น, นี่เป็นยานที่ยิ่งใหญ่จริงๆ ถ้าไม่มีสัพพัญญุตญาณจะสงเคราะห์สัตว์ได้อย่างไรจะช่วยให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ได้อย่างไรพะนธ์พระองค์เนี่ยจึงมีสมันตะจกักษุก็คือสัพพัญญุตญาณเนี่ยนะสัพพัญญูความรู้สัพพสิ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นสิ่งที่เกื้อกูลที่จะช่วยสรรพสัตว์ให้ออกจากวัตะนนะที่จะช่วยตัวเองให้ออกจากวัตะช่วยสัตว์อื่นให้ออกจากวัะ ต, ต้นเหตุที่จะทาให้บรรลุได้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 จะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงซับภายนอกเล่า น, นะก็เหมือนกับอย่างว่าเนีสัพพัญยุตยานี่นะเป็นยานที่นําออกจากวัตทุกขดํานวณว่าถ้าจะทําจรวดออกนอกโลกนะนะมัวแต่เสียดายเกลืออยู่เนี่ยนะมัวแต่เสียดายเหล็กมันเป็นสําเร็จไหมสร้างสํ า, ส เ, รสราสเร็จไหมไม่สําสเร็จหรอกเนี่ยนะมัวแต่เสียดายดินสอ ป, ปากาทีละจริงๆจะสร้างจรวดออกจากอะไรนะ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 ชาวนาผู้โง่เขลาเสียดายมเมล็ดพันธุ์ที่จะหวานลงในนาก็เลยอดข้าวเปลือกชันใดผู้ที่เป็นคนทานทั้งหลายเนี่ยนะก็เราไม่เคยคิดจะให้นี่แหละเราจรึงได้อยู่อย่างนี้นะก็เราไม่คิดแบบท่านนี่แเราก็เลยเฝ้าวตัตตะอยู่ตั้งนานเนี่ยนะเหมือนเราเก่งใช่ไหมใครที่ไม่บริจาคไม่เสียเงินไม่หมดเงินไม่หมดทองรักษาเอาไว้อย่างดีเนี่ยนะเคยมีเท่าไหร่ก็รักษาได้เท่าเดิมนะามาเพิ่มอีกมากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไม่เคยให้เลย ดูเหมือนฉลาดเนี่ยนะตอนต้นเหมือนฉลาดเพราะยังรักษาเอาไว้ได้แต่ทอนท้ายบร ม, มงโง่ถามว่าทําไมบรมมงโง่อะโง่จริงๆรงเลยเอาของในโลกนี่มันของใครกันแนะ่เนี่ยนะเขาบอกว่าคนเขาสําคัญว่านั่นกับของเรานั่นก็ของเราจนตัวเองก็ยังไม่ยอมกินเลยบางคนเก็บเอาไว้ชมเป็นสมบัติทางตาทางหูแค่นั้นนะ่ะยิ่งสมัยใหมนะ่เนี่ยยิ่งหนักกว่าเดิมนะั่นมีแต่ตัวเลขเขียนแค่ๆแค่แค่แค่นั้นก็นึกว่ามีมากที่ไหนได้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 นี่สิลมันจะเพิ่มพูมสมบัติเนี่ยหมดทั้งตระกูลแน่เพราะฉะนั้นแบ่งที่สักแปลงขายหนึ่งไปเถอะเพื่อที่จะได้ใช้นี่ได้พวกญาติทั้งหลายก็ทัดทานบอกว่าขายไม่ได้ที่มรดกของกันที่ขายไม่ได้ขายไม่ได้ที่มรดกเพราะฉะนั้นต้องเก็บรักษาเอาไว้ก็บอกไอ้คนที่กู้เนี่ยก็เป็นมรดกยังรักษาตัวไม่รอดเลยเนี่ยนะใช่ไหมเราทั้งหลายบอกว่าเรารักษาทรัพย์ภายนอกไอ้ภายในเราจริงๆเรารักษาอะไรได้บ้าง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 ไม่ได้เป็นสิ่งที่ยั่งยืนตลอดไปแล้วอะไรหนอะที่เป็นสาเหตุให้เกิดการตรัสรู้ธรรมนั้นผู้ที่เขาบำเพ็ญบารมีเนี่ยนยะพูดแบบโบราณเขาเรียกว่าการบำเพ็ญสร้างเหตุเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าพูดสัพท์สมัยใหม่หน่อยก็คือการลงทุนเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าเป็นการลงทุนที่ยิ่งใหญ่ถ้ามัวอะไรอวบนนะ่ะอะไรจะเกิดขึ้นนั้นเครื่องประดับก็เหมือนกับนาฬิกาเรือนหนึ่งเท่านั้นนะขายนาฬิกาเพื่อการลงทุนนั้นทําได้ทุกอย่างเพื่อการ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 ทัานทามองว่าการให้ทานแต่ละครั้งคือการลงทุนเพื่อประโยชน์โลกนี้เพื่อประโยชน์โลกหน้าการค้าขายจริงๆเนี่ยก็มองแค่ไม่ไ ม, ไม่ไม่เท่าไรใช่ไหแต่การเจริญกุศลเนี่ยเป็นการลงทุนระยะยาวแต่ขณะเดียวกัน ก, ก็ต้องดูระยะสั้นด้วยนะ น, นะ เ, เพราะว่าชีวิตของผู้ที่มีปัญญาไม่ได้มองชีวิตแค่ชาติเดียว2ชาตินะแต่มองไกล อย่างผู้ที่ปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งมองไกลมากไกลถึงขนาดว่ามองสี่อสงไขยแสนกับมองแดอสงไขยแสนกับมองไปอีก16อสงไขยแสนกับก็นะต้องลงทุนอีกขนาดไหนกว่าจะได้ความเป็นพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นเนี่ยนะผู้นี้ก็สแสวงหาวิธีการเจริญกุศลโดยประการต่างๆเนี่ย น, นะอยู่ในฐา น, นะอะไรตำแหน่งอะไรอยู่ตรงไหนก็พร้อมที่จะ จเจริญกุศลได้ไม่มีอะไรเป็นเครื่องขวางกั้นว่ามีอุปสรรคขัดข้องอยู่จเจริญกุศลยังไม่ได้นะท่านจะไม่มองว่าเป็นปัญหาเลยขนาดขี่ช้างมาเนี่ยนะบอกขอช้างไม่มีข้อแม่เลยบอกเดี๋ยวเรียกลับบ้านก่อนอนะไม่ยกให้ไปเลยเนี่ยนะท่านพระราชาเนยะย้อนมาดูอัธกถาที่กล่าวบอกว่าพระองค์ตอนตอนที่เป็นพระราชามีชื่อว่าทนัญชยัยคําว่าพระราชาเนี่ยนะ พระราชานี่โดยสับแปลว่าคนที่ยินดีด้วยสังหะวัตถุสี่ประการแปลว่าคนที่ยินดีในการบริจาคเนี่ยนะเพราะว่าพระราชานี่คืออะไรคือคนที่มากไปด้วยจากคะคนที่ตาแหน่งสูงๆจริงๆเนี่ยคืออยู่เพื่อเพื่อจะให้เนี่ยนะอยู่ในตาแหน่ง น, น, นั้นเพื่อจะให้เป็นพระราชาเพื่อที่จะให้เนี่ยนะขณะเดียวกันเนี่ยนะต่อไปท่านก็ประพฤต ตนเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นแนะนําสงเคราะห์ผู้อื่นเป็นต้นท่านอยู่ในสังขหาวตถุกันพระราชาคือผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยสังคหาวตถุเป็นใช้ชีวิตอยู่เพื่อประโยชน์แก่คนอื่นพระองค์นี้ประพฤติอยู่ในกุศลกรรมบท10ประการแสดงว่าเป็นพระราชาผู้มีความสะอาดทางกายวาจาและใจเนี่นะเป็นผู้ที่ประพฤติเคราะคุณงามความดีด้วยกายวาจาและใจอันนี้เรียกว่าถ้ามองอยู่ที่พฤติกรรมเนี่ยนะ ก็ทัวรอีกครั้งหนึ่งว่าบุญกุศลทุกชนิดเนี่ยนะทะวานที่หลังออกมาทวานที่หลังออกมาเป็นบุญก็คือกายวาจาและใจทีนี้ถ้าของที่ให้เป็นไปกับบุญลนะ่ะคืออะไรบ้างกายวาจาใจเหล่านี้มาแบ่งเป็นนี่แบ่งปันหยิบยื่นข้าวของให้ผู้อื่นนะนี่เรียกว่าทานนไนะการห้ามไม่ให้กายวาจาเป็นไปกับบาปเรียกว่าศีล การเจริญกุศลธรรมเช่นมีเมตตาเป็นต้นเรียกว่าภาวนาเนี่ยนะเมตตาภาวนาเป็นต้นขณะเดียวกันก็ยังมีการยกมืออ่อนน้อมต่อผู้ที่ควรอ่อนน้อมเป็นต้นก็เป็นอปจัญญามัยช่วยเหลือกิจการงานคนอื่นที่ไม่มีโทษเนี่ยนะช่วยแบ่งเบาภาระผู้อื่นอันนี้ก็เป็นวิยาวัจจะไม่ยหม่ๆก็ได้กับพวกวิย า, าวัจกรก็เรียกว่าทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้อื่นเป็นหลักเนี่ยนะ แล้วก็ต่อไปก็ยังมีการาทําบุญเสร็จแล้วก็ไม่ตนีถีเหนียวในบุญยกส่วนบุญไปให้แก่คนอื่นก็เรียกว่าปฏิทานทำมยโยกบุญที่ได้ทําไปแล้วให้แก่ผู้อื่นนะอย่างวันนี้ก็โยมเข้ามาถวายบุญว่าขอถวายบุญนีนะครับว่ายกบุญให้ให้อนุโมทนาแบบนั้นก็เรียกว่าปฏิทานทำไมก็เรียกวโยกส่วนบุญให้แก่คนอื่น ขณะเดียวกันผู้ที่มีปัญญารู้ว่าบุญเนี่ยเป็นเหตุแห่งความสุขก็ร่วมอนุโมทนาด้วยกับบุญที่คนอื่นได้กระทําลงไปทีนี้บุญเหล่านั้นเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ก็อาศัยการฟังธรรมโดยที่จะไ ด, จะได้จะได้เกิดความรู้ความเข้าใจที่มีเป็นบุญเหล่านั้นได้นีนจะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเป็นต้นหน้าก็อาศัยการฟัง นนทีนี้ผู้มีฟังก็ต้องมีการแสดงมีการถ่ายทอดเพรา ะ, ะการฟังก็เป็นบุญการให้ก็เป็นบุญน น, นการแสดงทำก็เป็นบุญแต่บุญที่สําคัญมากที่สุดก็คือทิฏฐุชุ ก, กรรมถ้ามีผู้ตั้งคำถามว่าไอ้ทิฏฐุชุกรรมเนี่ยนะทำความเห็นให้ตรงก็คือปรับทัศนคติที่ถูกต้องในบรรดาบุญทั้งหมดเนี่ยนะทิฏฐุชุกรรมสําคัญที่สุดทิฏฐิบวกอุชุบวกกรรมเนี่ยนะทิฏฐิก็แปลว่าความเห็น ทัศนะหรือทัศนคตินั่นเองทิฐิอ่ะ น, นะอุชุคือตรงกรรมก็คือแปลว่าธ ร, รมทรมความเห็นตัวเองให้ตรงก็คือปรับความรู้สึกนึกคิดให้สอดคล้องต่อกฎแห่งความจรงิงเนี่ยนะปรับความเห็นให้เข้าใจให้ถูกต้องว่าเช่นว่าปรับความเห็นให้รู้ว่าการให้นี่มีผลการรักษาศีลมีผลการเจริญภาวนามีผล การอ่อนน้อมก็มีผลแล้วก็การช่วยเหลือกิจผู้อื่นก็มีผลการยกบุญให้คนอื่นอุทิศส่วนบุญให้แก่ผู้อื่นก็มีผลการอนุโมทนาก็มีผลการแสดงธรรมก็มีผลการฟังธรรมก็มีผลขณะเดียวกันทำความเห็นให้ตรงโดยท่ามไม่ให้ก็มีผลท่ามไม่ให้มีผลหมผลของมัจฉะระยะมีไหมผลแล้วผลของความทุศีนก็มี ผลของการไม่อบรมจิตไม่เจริญเมตตาเป็นต้นก็มีผลแม้กระทั่งว่าไม่อ่อนน้อมก็มีผลการไม่ช่วยเหลือคนอื่นก็มีผลก็คือทาความเห็นปรับความเห็นให้ตรงว่าปรับความเห็นให้ตรงในเรื่องกุศลแล ะ, ะกุศลก็คือมองเส้นทางของกุศลแล ะ, ะกุศลได้อย่างตลอดสายก็คือปรับทัศนคตินั่นแหละ ปรับทัศนคติทําความเข้าใจให้ให้ถูกต้องในในเหตุในผลของสรรพสิ่งทั้งหลา ย, นยนะในคุณงามความดีในสิ่งที่ที่เป็นประโยชน์ขณะเดียวกันก็แยกแยะในสิ่งที่มีโทษมองออกอย่างตลอดสายเพรันพระเจ้ากุรุเนี่ยนะพระเจ้ากุรุรัตหรือพระเจ้าทานันชัยพระองค์นี้ก็ชื่อว่าเป็นพระราชาที่ปรับความเห็นของตัวเองได้อย่างถูกต้องเนี่ยนะปรับความเห็นถูกต้อง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 ก็ไว่าที่พอใจที่สูงที่สุดของท่านคือสัพันยุตยานเนี่ยนะสพันยุตยานนี่ดียังไงนะเดีวเขสูตรอื่นนี่ก็บอกว่าคือท่านรักสัพันยุตยานมากที่สุดนะนะอย่างอื่นท่านก็รักกว่างั้นเถอะสราจะช้างท่านชอบไหมอุย้ยโลกในตอนนั้นนะชีวิตของเรื่องยานพาหะก็ชอบช้างที่สุดแต่ว่าชอบสับพันยุตยานมากกว่าราชสมบัติท่านต้องการไหมท่านยินดีไหมบอกยินดีแต่ว่าสัพันยุตยานดีกว่า คือทุกเรื่องเนี่ยนะไม่มีอะไรเสมอเท่ากับสัพพัญญุตยานในโลกทั่วๆไปบอกว่าห่วงแหนชีวิตเหลือกเกินแต่ก็ยังรักไม่ได้รักชีวิตเท่ากับสัพพัญญุตยานในสัพพัญญุตยานนี่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนอันนี้เรียกว่าฉันทะฉันทะที่มีต่อสัพพัญญุตยานมันท่านรักษาฉันทะตัวนี้ได้อย่างสม่ําเสมอไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเลยนะไม่ยอมเปลี่ยนใจเด็ดขาดละงั้นแต่อะไรจะเกิดขึ้นเปลี่ยนได้นะชีวิตเปลี่ยนได้ เกิดนะใหม่ไงใช่ไหมแต่ว่าอัธยาศัยที่ยินดีในสัพพัญยุตยานเป็นต้นเปลี่ยนไม่ได้ไม่มีอะไรทําให้ท่านเปลี่ยนได้บัณฑการทําความเห็นให้ตรงนี่สำคัญที่สุดในโลกนี้นะคนที่เจริญกุศลได้มากได้เยอะได้บ่อยและต่อเนื่องคือคนที่ปรับความเห็นของตัวเองได้อย่างถูกต้องบัณฑที่ถูกชุ ก, กรรมทําความเห็นให้ถูกให้ตรงปรัศนาคติเนี่ยเป็นบุญที่สูงที่สุด ใครเคยเข้าใจบ้างไหมว่าปรับความเข้าใจเนี่ยบุญที่สุดในโลกไม่มีบุญใดที่จะมีเออจะยิ่งใหญ่เท่ากับปรับความรู้ความเข้าใจให้สอดคล้องกับคําสอนเนี่ยนะหรือปรับความเข้าใจให้สอดคล้องต่อความเป็นจริงนะปรับความเข้าใจให้สอดคล้องต่อหลักอริยสัจเนี่ยนะนะการปรับความเข้าใจความรู้ความเข้าใจเนี่ถือว่าเป็น เป็นบุญที่สูงมากเลยนะถ้าไม่มีบุญตัวนี้ถ้าไม่มีการปรับความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องที่แท้จริงบุญอย่างอื่นก็เป็นอันลดลงไปพระเจ้ากูรูรักพระองค์นี้เนี่ยนะอยู่บนพื้นฐานคือความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยนะมโนกรรมข้อสุดท้ายคือสัมมาทิฐิกับมิจฉาทิฐิเนี่ยเป็นมโนกรรมเป็นกรรมที่สาคัญมาก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 อนาคตเนี่ยนะเบียดเบียนตัวเองต่อไปในะอนาคตเพราะฉะนั้นความรู้ความเห็นว่าอะไรมีผลอะไรไม่มีผลอะไรเป็นเหตุแห่งความเจริญ อ, อะไรเป็นเหตุแห่งความเสือ่อมการปรับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเนี่ยสำคัญที่สุดเนี่ยนะแล้วก็ในบรรดาผู้ที่ศึกษาธรรมะระดับสูงหรือแม้กระทั่งศึกษาอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดศึกษาอริยสัจเป็นต้นเนี่ยนะ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 จะตกนรกจะขึ้นสวรรค์ก็อยู่ที่ความเข้าใจอยู่ที่ทัศนคติถ้าทัศนคติที่ไม่ดีในที่สุดนำมาซึ่งการล่วงอากุศลกรรมบทถ้าพื้นฐานผู้ใดเป็นไปกับมิจฉาทิฐิในที่สุดบุคคล น, นั้นไหลไปสู่การฆ่าจนได้